วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันดับเดือนสี่วันดับเดือนสี่ขังแรมเดือนสี่ดับเดือนสี่พรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือนห้าแล้ววันนี้ขึ้นเดือนห้าเจ้ากัจจันเรไรร้องเต็มป่านี่นี่เขายังไม่ร้องนะนี่แสดงววันยังไม่ใกล้กจะมืดจริงๆเขาจะร้องอีกครั้งหนึ่ง ก็ตอนเช้าเขาก็จะลุกขึ้นร้องของเขาได้รุนเขาก็ร้องแต่แต่เขาจะร้องเดือนสี่นะเขาที่แล้วพอวันรุ่งขึ้นเดือนสีป่ปั๊บร้องเลยได้ยินเสียงร้องในป่าก่อนนั้นไม่ได้ยินพอถึงเดือนสี่ปั๊บไม่ร้องจักกะจันเรไรจักกะจัไนไอตัวใหญ่ๆนี่แหละจักกะจันเสียงลั่น แมงอีก็มีแมงอีเนี่ย อ, อ, อ, อีอีอีอีจักจัน่นเนเสียงกล้องเนี่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเขารู้ร้อนรู้หนาวเหมือนกันนะเขารู้มืดรู้สว่างอย่าว่าแต่เรารู้นะสัตว์ธรรมชาติของรรสัตว์สัญชาตญาณของสัตว์ไก่มืดใก่มืดเขาจะร้อง เนี่ยไก่ไก่ไกมือเนี่เขาร้องแล้วเนี่ยนี่เขาจะร้องเป็นเป็นเวนประระสุดท้ายสลหรับวันนี้นะอ่าตอนเช้าเา็เาจะลุกร้องมันจะมีช่วงหนึ่งเขาจะร้องพร้อมกันตอนค่ำนี่เ็าจะร้องพร้อมกันรอบสุดท้ายของเขากลางวันนี่เอาเป็นรอบใครรอบมันแล้วแต่ขยันเอารอบค่ำนี่พร้อมกันกนแล้วกันสัตว์สัญชาติญาณของสัตว์ การพัฒนาไปของสมองสัตว์เน่ยมันไม่เหมือนสมองมนุษย์สมองมนุษย์นี่พัฒนาไปได้เร็วรู้เดียงสาภาวะมีความรู้ชัดเจนแต่สัตว์เขามีความรู้ไม่ชัดเจนเหมือนมนุษย์เหมือนมันนดวงตาท่นานเลาอกฟังว่าสัตว์เนี่ยสายตาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่สายตาที่ฉลาดเหมือนมนุษย์สายตาของเขาเนี่ยเดินไปถ้าหาก ถ้าหากเฉยทุกอย่างอยู่นิ่งเฉยไม่แสดงอาการไหวให้เห็นเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าไหวปั๊บเนี่ยถ้าเป็นหมานี่ยเห่าทันทีเลยหล่ะถ้าเป็นเสือเป็นอะไรนี่ยก็ตั้งท่าแล้วว่างั้นนะท่านทั่ถึงในป่าเนี่ยเสือมันเดินไปเนี่ยสมัยคนยืนอยู่ถ้าเผื่มันไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกถึงเห็นมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไร ไม่เหมือนสายตา ม, มนุษย์หูมนุษย์การสัมผัสของมนุษย์ทั้งหกเง น, นทววงสัมผัสทั้งห น, น่สัมผัสพร้อมกับมีสติมีปัญญาบอกการพัฒนาสมองของสัตว์ก็เช่นเดียวกันมันพัฒนาไปได้ยากมากพัฒนาไปไม่ได้เลยดูหมาเราเนี่ยเลี้ยงมาสิบกว่าปีเนี่ยสอนแค่ยกมา้ายกมือได้แค่นั้นโอ๊ยพี่เลี้ยงพอนนดีใจขนาด แค่ยกมายกมือนิดหน่อยอะไม่รู้อะไรของมันก็นไม่รู้ยกถ้ามีอาหารล่อเนี่ยน่าจะยกได้โยสัตว์ที่เขาว่าฉลาดฉลาเขาฝึกหรือเขาฝึกด้วยอาหารนะสัตว์ที่ว่าฉลาเนี่ยเขาฝึกเขาจะฝึกด้วยอาหารต้องมีอาหารล่อเราไปดูโรมาเขาแสดงที่แหลมสิงห์แหลมสิงห์จันท บ, บุรีนะเราไปดูเขาใช้มันทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยหลังจากมันทําเสร็จแล้วเนี่ย เขาใ ห, ให้อาหารให้ปลาตัวนึ่งนะโยนใส่โยนใส่ปากเลยให้มันทําอะไรเสร็จแต่ละอย่างเนี่ยอ่าหลังจากทําเสร็จเนี่ยต้องให้อาหารมันให้ปลาตัวนึ่งให้ปลาตัวหนึ่ ง, นงคนขึ้นคนขึ้นไปอยู่สูงจากน้ําประมาณสามเมตรสามเมตรกว่านะสามเมตรกว่าเนี่ยเขาเอาปลาไปล่อ แล้วให้มันกระโดดไปเอาปลาแล้วก็ทําท่าเหมือนกับว่ามันโดดไปไปหอมแก้มคนข้างบนนู่นข้างบนสามเมตรสามเมตรกว่าน่ะมันโดดสูงได้อยู่แต่ไอัที่มันโดดไปเนี่ยมันโดดไปเพราะมันเห็นเหยือ่อมันเห็นปลาอ่าเสร็จแล้วเขก็โยนให้มันเลยหลังจากหลังจากนั้นมาหลังจากบางทีบางทีคนดิ้นคนฆ่า ป, ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่า มันก็กระโดดไปงับเอาปลาเขาก็ว่าโลมาโดดหอมแก้มคนเนี่ยกระวางกันนะเขาให้มันไหวเขาให้มันอะไรแต่ไรมันมันทําได้เพราะเขามีอาหารลอ่อเราไปดูที่แหลมสิงห์ใครเคยไปยันทับบุรีไปดูเขาโลมาอ่าโลมาโอยแขกคนหลังไหลเข้าไปดูเราเข้าไปยันอินพาเข้าไป แต่ไอ้ที่มันน่าทึ่งที่มันทําที่มันทําได้ไอ้น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือตอนเขาจะเลิกเนี่ยมันจะมีลงมาสองตัวมายืนขนาบกันเนี่ยลงมาสองตัวมายืนขนาบกันแล้วมันจะวิ่งกันเป็นเป็นลักษณะเป็นคู่กันไปนเลยนะแล้วคนก็ยืนกลางขาข้างหนึ่งเห ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยียบอีกตัวหนึ่งขาข้างนึงเหยียบอีกเหยียบอีกตัวหนึ่งเขาก็ใบบา ย, บายนั่นแนหะเป็นวาระกิดฉากขแเลยนะอะเสร็จแล้วก็ มันก็วิ่งไปตรงตรงแพรพอดีพอวิ่งไปตรงแพ่พับพอใกล้จะถึงแพ่พับแพรมันก็มุดลงมุดลงคนก็โดดขึ้นแพร อ, อันนี้มันเอ๊มันฝึกได้ยังไงมันเก่งวะแล้วน้าหนักคนไม่ใช่น้อยนะน้ําหนักคนคนเขาขยืนเก่งนะเขยืนบนนั้นอนะ่ะเขายืนได้เลยอ่ะ็ต่เขาเล่นเขาจาชองมาแล้ว ไปไปไปพอพอไปก็จะถึงแพร่ปั๊บนี่ยมันก็มุดหัวลงคนก็โดดขึ้นแพอ่าโดดขึ้นแพเสียแล้วเขาก็มาโดดคาบให้อาหารให้อะไรต่วอะไรนี่เราพูดถึงว่าการฝึกสัตว์อ่าต้องเอาอาหารล่อมันสัตว์บางอย่างไม่ต้องล่อมั้งสัตว์บางอย่างไม่ต้องล่อพวกแมวพวกหมาพวกอะไรเนี่ยล่อเท่านั้นถ้าล่อเนี่เป็นเร็วถ้าไม่ล่อไม่เป็นไม่สนใจดอกถ้าไม่ล่อ การนี้เราพูดถึงการพัฒนาสมองของคนของสัตว์การพัฒนาต่างกันมากความนึกความคิดของสัตว์ครูบาอาจารย์เล่าเรานะความนึกความคิดของสัตว์เขาสัตว์ทวันนึกว่าคิดนะไม่มีเจิต จ, จํานงเหมือนเราเรานี่เรามีเจิต จ, จํานงที่จะนึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนีน Munich, งนน้ได้ตามเจิต จ, จานงและก็มาวิจัยวิจารณ์เอามาใช้ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ แต่สัตว์เขาสักตะว่าคิดไปเชื่เองไม่เชื่อลองสังเกตดูสัตว์ดูสุนัขเหล่าเนี่ยไม่เชื่อลองสังเกตดูบางครั้งเห็นเขาลุกลุกเทเลทลาจักไปเลี่ยไม่มีไม่มีจุดหมายปลายทางนี่ไม่มีจุดหมายปลายทา ง, าทางถ้าเกิดมีใครไปเรียกไปแล้วอา้าวหันเหไปละเขาลุกนอนอยู่ดีลุกพวดพัดวิ่งไปแล้วจกัจกจกักจักไปเลยเอา่า คือสังขารสังขารากิจมันมีเหมือนกันมันปรุงเหมือนกันแต่ไอีตัวเจตจำลองที่จะเข้าไปผสมเหมือนมนุษย์มันไม่มีเพราะฉะนั้นการ อ, อุบัติเป็นมนุษย์ท่านถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์มาแล้วใครเอาอัตภาพมนุษย์ไปทําลายเอาไปกินยาบ้าให้มันทําลายสมองของตัวเองอันนี้ก็คือว่าถือว่าทําลายตัวเองอย่างหมดสิ้นเชิงเลย เราก็รู้ๆอยู่ว่ายาบ้ามีโทษอย่างนั้นอย่งนลองดูมันติดเลยแล้วนี่ติดเลยศาสาสมองที่ว่าดีดีดีเกินสัตว์เนี่ยมันจะตกต่ำไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้วหนักๆเข้าบ่อยครั้งเข้าไอตัวสารเคมีมันไปทำลายไปทำลายเส้นสมองอะ จนเลอะเรือนไปหมดห ล, ละเลอะเรือนไปหมดบางคนเนี่ยไม่เป็นผู้เป็นคนเลยแหละนู่นเดินหาจกขยะกินตามถังนั่ะถังขยะนะเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วไม่ใช่เราแปลงพูดเฉยๆโดนจกกินจริงๆอะ่ะตามปั๊มน้ํามันเอ่ยตามอะไรเอ่ยเห็นโอ้มันถึงขั้นนี้จริงๆนี่ไม่เหลือเลยไม่เหลือมันสมองของของมนุษย์ไว้เลยเนี่ย น่ากลัวนะเด็กๆฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณนนะ์นะมาระวังถือเป็น ส, สารพิษที่ร้ายกาดร้ายแรงมากให้ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีถ้าเราไปหลวมตัวให้กับมันแล้วก็ตายทั้งเป็นนอกจากมันพาเราดิ้นรนหามาใช้มาสอยมาซ่องมาเสบแล้วมันก็มาทำลายเราจนหมด คือพอใส่เข้ามาแล้วเนี่ยร่างกายมันติดเวลาได้เวลามันต้องการเราต้องใส่มันได้เวลามันต้องการเราต้องใส่มันถ้าเราไม่ใส่ให้มันนี่มันหิวมันกระหายมันเรียกร้องจนจะเป็นจะตายร่างกายมันเรียกร้องนะร่างกายมันเรียกร้องเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงตาท่านท่านเทศท่านบอกว่าแม้แต่พระอรหันเนี่ยชั้นยาบ้าลงไปก็ติด เพราะเพราะร่างกายมันติดมันไม่ใช่จิตติดแต่จิตของท่านกับจิตของเราไม่เหมือนกันจิตของท่านไม่ติดแต่ร่างกายมันติดพอใส่ลงไปแล้วร่างกายมันติดร่างกายมันก็ประกอบไปด้วยธาตุต่งนะางๆเนี่ยธาตุดินธาตุา น, าาน้ำธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอเราใส่อาหารอะไรดิบดีเข้าไปเขาก็ติดในเมื่อเขาติดเวลาเขาหมดหมดรสหมดชาติของสิ่งเหล่านั้นเขาก็เรียกร้องพอเรียกร้องขึ้นมา มันก็กระตุ้นกระตุ้นเรายิ่งเราเป็นผูถุชนด้วยแล้วเนี่ยมันกระตุ้นมัน ก, กระสิบกระซาบเราก็อดไม่ได้ดอกเฮยตายช่มหมเธอเว้ยฟาดเลยแหละโอ้ตายช่ไหมเว้ยฟาดเลยนิ่เป็นงนี้แต่พระอราหานันต์ในใจท่านไม่ติดอเพราะใจของท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดอยู่แล้วติดก็ติดแต่ขันท่านนั้นแหละขันมันติด แต่น่าจะไม่เรียกร้องดิ้นรนทะเยอ ท, ทยานจนเกินไปอันนี้เป็นข้ออุปมาที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาแสดงให้ฟังว่ารูปธรรมเนี่ยมันมีสถานะเท่ากันรูปธรรมของเราของท่า น, ทานเท่ากันแต่ว่ารูปธรรมของมนุษย์เนี่ยจะแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่ว่ามันสมองนั้มันพัฒนาไปได้ดีสามารถไปรับกับภูมิสุติภูมิสัมปชัญญะภูมิปัญญาข้างในได้ สามารถทำงานละเอียดได้มันสมองกับสติสัมปชัญญะกับจิตข้างในมันสัมพัมพนธ์กันแต่ถ้าหากมันสมองมันเสียแล้วเช่นอย่างเรามากินยาทำลายมันสมองไปแล้วเนี่ยมันสมองมันไม่สามารถที่จะทำงานรับสนองงานของจิตได้เพราะฉะนั้นมันก็พาหรือพาคิดพาวิกลวิการไปตามเรื่อง ที่มันเคยแปลสัญญานุนให้สัญญานี้ให้มันก็แปลผิดพานึกพารีตแปลผิดแปลผิดเป็นเหตุให้เราเข้าใจผิดเป็นเหตุหเราทําตามผิดนี่คือสัญญาโดยปกติเราไม่ได้กินอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ยาแบบนั้นอยู่แล้วกิเลสภายในใจของเรามันก็แปลเราผิดผิดให้เราหลงเพลินทําตามมันผิดผิดมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ถ้าไม่ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่รู้ไม่รู้ว่ามันแปลให้เราผิดได้ยังไงมันแปลรูปมันแปลให้รักมันแปลให้ให้ชังให้โกรธให้เกลียดมันแปลไปหมดแหละมันแปลแล้วมันก็นึกเอามันก็คาดเอามันก็เดาเอาเอามาใจเป็นใหญ่เลยเห็นรูปพับอืมไม่ดีเลยนะไม่น่าไม่น่าชอบใจไม่น่าพอใจใจมันไม่ชอบใจ มันไม่ได้รู้ตามเป็นจริงนะมันบอกว่าอ๊ย uh, ไม่ดีรูปไม่ดีไม่เอาไม่พอใจไม่ชอบใจถ้าเป็นสิ่งของอะไรเนี่ก็ถ้าเป็นสิ่งของเล็กน้อยเนี่ยก็เตะทิ้งเลยโยนทิ้งเลยคว่างทิ้งไกลไกลไปเลยมันเป็นอย่างนั้นนแหละในที่สุดเราไม่ได้รู้อะไรของมันความเป็นจริงของมันในวัตถุนั้นๆเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เลยนี่คือกิเลสมันพาเราแปลผิดถ้าเป็นของดีเห็นปั๊บ เออดึงดูดดึงดูดเข้ามาในหัวใจมันเหมือนกับเป็นอาหารที่ถูกรถถูกชาติเห็นรูกนี้ปะอุย้ยดีใจกำหนัดยินดีชอบใจพอใจเ พ, พลินใจอยากยึดอยากถืออยากได้อืมต้องดิน้นต้องร่อนต้องขวนขวายต้องสแสวงหามาให้ได้นี่คือมันแปลผิดความเป็นจริงของวัตถุนั้นมันไม่ได้รู้ตามเป็นจริง มันรู้เห็นแต่ว่ามันเอ้ยมันสวยมันงามมันแล้วดึงเข้ามายึดเข้ามายึดขึ้นมาก่อยข้ามาก่อยข้ามาเนี่ยยึดยึดมัน่นถือมัน่นเกิด อ, อุปาทานขึ้นมาอเมื่อเกิดอุปาทานนี่อะไรเมื่อมีความต้องการแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาการดิ้นรนแสวงหานี่แหละคือจอมทุกข์คือกองทุกข์เหมือนอย่างเราดิ้นรนทํามาชีพนั่นแหล ะ, หละทุกข์หรือไม่ทุกข์ดิ้นรนทํางานทําการอะอ่เราพูดถึงชาวนาชาวไร่เราเนี่ยดิ้นรน ทำอยู่ทำกินตากแดดตากฝนเสี่ยงเป็นเสียงตายเสี่ยงลมพายุเสียงหนาวถอนกล้าปักดำยุงเจาะลงลุยขี้ตมขี้โคลนกังค่ำกัางคืนดึกดื่นทุ่มสองทุ่มทุกหรือไม่ทุกก็จะได้มานี่คือการดิ้นรนแสาะแหายกตัวอย่างงานอื่นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละต้องดิ้นรนสารพัด ท, ทุกอย่าง ที่มันจะมีปัญหาตามมาให้เราต้องได้คิดต้องให้เราได้แก้การดิ้นรนแล้วก็สแสวงหาสแสวงหามาได้ได้มาแล้วยึดอีกยึดมั่นถือมั่นอีกหึงห่วงสนุถ น, น้อมกวจะสูญกลัวจะเสียกลัวจะพังกลัวใครจะมาทําลายให้หมดไปจากภาวะความรักความชอบใจที่เราติดใจนั่นแหละนี่คืออุปาทานมันภัย เนื้อแท้ของสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ความเป็นจริงของมันเป็นยังไงไม่รู้แต่การที่ใจมองเป็นธรรมมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือกิเลสมันเราหลงไปตามกิเลสกิเลสมันหลอกให้เรานึกคิดไปตามมันถ้ามองตามกิเลสเราภาวนาเรามองตามกิเลสเราดํารงจิตให้มันแล้วก็พิจารณ า, า, าตามธรรมดํารงใจให้มันแล้วก็พิจารณาไปตามธรรมเห็นเราก็รู้ว่าเห็นเห็น ส, สักักเท่าไหรเห็น เห็นเป็นอะไรเห็นว่ามันเป็นอันนั้นอ่ามันดีรู้อยู่มันไม่ดีรู้อยู่แต่ว่าให้เป็นเนื้อแท้ของมันมันมันไม่ได้ยึดเข้ามารู้ว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้ของชายของสอยสิ่งนู้นสิ่งนี้รู้ว่าคนรู้ว่าหญิงรู้ว่าชายรู้แล้วก็เห็นก็สักเทวะเห็นเออหญิงกสักเทวะเห็นหญิงรูปปัจจัยอะไรเป็นเรื่องของเขาชายก็สักเทวะชายโอ้รูปปัจจัยอะไรก็เป็นเรื่องของชายของเขา คือสิ่งนั้นอยู่นอกจิตไปเลยไม่ได้อยู่ในจิตไม่ได้เข้ามาในจิตนี่เรียกว่าเห็นยิ่งพิจารณาทองแท้เห็นว่ารูปสภาวะรูปธรรมเป็นยังไงสภาวะนามธรรมาเป็นยังไงด้วยแล้วจิตใจมันก็ไปรู้เข้าไปเข้ารู้ทำความรู้ทําความเข้าใจกับสภาวะอันนั้นแต่ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีนะไม่ใช่ท่านไม่รู้นะท่านรู้เหมือนกัน แต่ท่านรู้แล้วท่านยังละเอียดลึกลงไปอีกภาวะของมันคืออะไรเป็นอะไรใช้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์ยังไงไม่ได้ประโยชน์ยังไงอโอกาสที่จะยึดมั่นถือมั่นเพื่อมาสอบมาสแสวงอกอบโกยเข้ามาด้วยตัณหาด้วยปาฏฐานไม่มีหากพอจะได้ได้โดยชอบธรรมก็เอาได้โดยไม่ชอบธรรมไม่เอาได้โดยชอบธรรมได้ดีก็ใช้สอยดีได้ไม่ดีก็ใช้สอยไม่ดีนี่คือการมองที่เป็นธรรม รูปเสียงก็เช่นเดียวกันกลิ่นก็เช่นเดียวกันจิตมันจะเข้าเข้าลึกถึงถึงหลักภาวะความเป็นจริงของสิ่งที่มาปรากฏเฉพาะหน้านี่คือกิเลสมันไม่หลอกเราการที่มันไม่หลอกได้ก็คือเราต้องฝึกฝึกจนใจเราชำนิชํนานาญยังเห็นสภาวะธรรมชาติที่อยู่รอบข้างตัวเรารอบข้างตัวเราก็คืออะไรรูปอยู่ในรัศมีของตาแล้วก็มองเห็น เสียงอยู่ในรัศมีของหูเราก็ได้ยินกลิ่นอยู่ในรัศมีของจ ม, มูกเราก็ได้กลิน่นรสอยู่ในรัศมีของลิน้นเราก็ได้รสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเย็นใครสัมผัสก็ต้องรู้ร้อนใครสัมผัสก็ต้องรู้อ่อนใครสัมผัสก็ต้องรู้แข็งกระด้างใครสัมผัสก็ต้องรู้เค็มน่ะไปลองไปสัมผัสเกลือดูเน่พอสัมผัสปั๊บเนี่ยทั้งเค็มทั้งคันนะ ไปสัมผัสน้ำปลาดูทั้งเค็มทั้งขันใครไม่เชื่อไปลองดูก็ได้เอาน้ําปลามาร้าดมือดูเอาเกลือคี้อยูอย่ยี้ข้น้ำเชอะเชอะมาทามาทาหนังดูนี่คือความสัมผัสความสัมผัสกายทุกคนมีกายสัมผัสทุกขุมขนกายสัมผัสประสาทสัมผัสเรียว่ากายะประสาทกายประสาท โดยที่แท้จริงตามเนื้อหาของพระพิธรรมท่านหมายถึงรูปประสาทประสาทตาหมายถึงรูปประสาทรูปที่เป็นประสาทตาประสาทหูหมายถึงรูปประสาทที่ทำหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกประสาทจมูกลิ้นประสาทลิ้นกายประสาทสัมผัสที่กายประสาทต่างๆเหล่านี้มันเป็นคนรายงานว่าว่าเห็น มันสักแต่ว่ารายงานว่าเห็นเท่านั้นนะมันสักแต่ว่ารายงานว่าได้ยินเท่านั้นเองมันสักแต่ว่ารายงานว่าได้กลิ่นได้สัมผัสเท่านั้นเองมันสักแต่ว่ารายงานแล้วมันก็หมดไปทีนี้ด้วยเหตุที่จิตของเราพอได้รู้ได้รับทราบรสชาติของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วอา้าวเกิดเวทนาแหละเวทนา ค, คือยินดีแล้วก็ยินร้าย ยินดีก็เวทนาสุขเวทนายินร้ายคือทุกขเวทนานี่พัฒสะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตามมาอันนี้คือตัณหาที่จะพึงเกิดขึ้นในปัจจุบันตัณหาเบื้องต้นมันส่งมาแล้วตัณหาต้นต่อของอวิชชาตัณหาอุปาทานมันส่งมาแล้วอวิชชาสวัสดมันส่งเข้ามาแล้วอันนั้นคือตัณหาที่เป็นต้นต่อทีนี้ ไอ้ตันหาวปาทานที่พูดกําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือของใหม่ที่จะเพิ่มเกิดขึ้นอของใหม่ที่จะเพิ่มเกิดขึ้นเราดูไปที่รู ป, ปรธรรมมันรายงานตรงอ่ะมันรายงานทำแต่ว่าสักตะว่ารั บ, ร, บรับเห็นรับได้ยินรับสัมผัสจมูกอ่ะกลิ่นรับสัมผัสลิ้นรับสัมผัสรสแล้วก็รับสัมผัสทางกายมันสักตะว่ารับสัมผัสแล้วก็ผ่านไปสักตะว่ารับสัมผัสแล้วก็ผ่านไป แต่ว่าตัวจิตตัวจิตที่จะได้รับผลสืบช่วงมาจากการสัมผัสนั่นแหละมันเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพอสัมผัสปั๊บถ้าเป็นดีมันก็ยินดียึดเข้ามาถ้าเป็นไม่ดีอดีกับไม่ดีเนี่ยมันมันธรรมชาติมันบอกเองอะดีหรือไม่ดีธรรมชาติมันบอกเอ ง, อรรตอเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วดีเราก็ดูไปที่เหตุที่ปัจจัยของมันไม่ดี ก็ดูไปที่เหตุที่ปัจจัยของมันในที่สุดความรู้ความเข้าใจของจิตของเราก็ไปชะลออยู่ที่อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของมันอ๋อเหตุของมันเป็นนี้เป็นนี้ปัจจัยของมันเป็นนี้เป็นนี้เปนี้ไม่มีความรักความชอบใจพอใจที่จะยึดเข้ามาไม่มีความชังความไม่ต้องการที่จะผลักที่จะถีบออกไปไม่มี สักเท่าทีเห็นสักเท่าที่ได้ยินแต่ท่านรู้ท่านเข้าใจหมดนะรู้ละเอียนล้อมากกว่าเราอีกธรรมดาอีกไอพวกเราที่เราลุ่มหลงยึดเอาเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปก็เนื่องจากว่าเรารู้ไม่ละเอียดล้อมเหมือนท่านนี่รู้แบบธรรมะกับรู้แบบกิเลสาสามารถพัฒนาสมองของคนเราเราสามารถพัฒนาไปได้การฝึกฝนโอลงแบบนี้เป็นการฝึกฝนมาที่ของจริงของจริงก็คือตามีอยู่ รูปมีอยู่หูมีอยู่เสียงมีอยู่จมูกมีอยู่กลิ่นมีอยู่ลิ้นมีอยู่รสมีอยู่กายมีอยู่การจะมาสัมผัสกายะมีอยู่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากตาก็เป็นจักวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นจากหูก็เป็นโสตะวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้ความรู้แจ้งวิปัสนาญาณแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งกับรู้แจ้งนี่ไม่ใช่อันเดียวกัน เห็นแจ้งเห็นแจ้งกับรู้แจ้งคือคนละสับสับอันหนึ่งรู้แจ้งทางตาวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นขันขันหนึ่งวิญญาณขันนะวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเอาใจเอาสติเอา ส, อาสมยาญิเอาปัญญาเข้าไปเห็นเห็นแจ่มแจ้งเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามภาวะที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะดั้งเดิมของมัน ย้อนลึกก็ไปถึงเหตุไปถึงปัจจัยของมันย้อนลึกไปถึงภาวะแวดล้อมของมันเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่แค่นั้นภาวะของมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเกิดขึ้นก็เป็นทุกทุกขงังเปลี่ยนไปก็เป็นอนิจจังใครไม่สามารถจะไปบังคับบัญชาได้คืออนัตตา นี่คือภาวะดั้งเดิมของรู ป, ปรธรรมภาวะดั้งเดิมของนามธรรมา ท, ที่นอกเหนือไปจากจิตที่บริสุทธิ์นอกเหนือไปจากผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้ของเราทุกคนถือว่าไม่บริสุทธิ์มันมีสิ่งเคลือบแฝงมาขอให้เราหลงรักหลงชังหลงหลงผิดหลงถูกอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิน้นถ้าไม่อยู่ในการระมัดระาวาังจริงๆแล้วก็วันทั้งวันมีแต่หลงผิดมันพลาหลงผิด ก็ดูอย่างที่ว่ากิเลสมันแรายงานผิดนี่แหละเป็นเหตุเราลุ่มหลงยึดยึดถือด้วยความลุ่มหลงด้วยตัณหาด้วยปาทานจ แ, แล้วก็แสวงหาแสวงหาความทุกข์จากการแสวงหาแสวงหามาแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นด้วยปาทานกอบโกยเข้ามาให้อยู่ให้อยู่ในการถูกใจของเราตลอดการตลอดเวลาแต่ทุกอย่างมันมันมันไม่ได้ มันมีเหตุมีเหตุ ม, หตมีปัจจัยของมันมันก็เสื่อมไปสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันโดยเหตุที่มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราหวังเราก็ทุกอะอะไรเกิดขึ้นกระทุกอะไรเกิดขึ้นกระทุกอะไรเกิดขึ้นกระทุกโอกาสที่จะรู้ว่าเอออันนั้นเกิดขึ้นเอออันนี้ดับไปเนี่ยไม่รู้กิเลสมันไม่ให้รู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ให้รู้นี่เราพูดถึงลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะของอารมณ์ของวิปัสสนา เราพิจารณามาตรงนี้เราหมุนมาตรงนี้มันเป็นอารมณ์ของวิปัสนามันจะทําให้เราเห็นแจ้งเห็นแจ้งวิแปลว่าวิเศษหรือแจ้งวิปัสนาปัสสะปัสสะแปลว่าเห็นเห็นแจ้งวิญญาณวิต่างญาณแปลว่ารู้รู้ต่างๆรู้ต่างวิญญาณแปลว่ารู้ต่างวิญญาณ วิญญาณอีกอันหนึ hmm. ่งก็คือวิญญาณนขันนั่นแหละวิญญาณนขันมันประกอบไปด้วยมันประกอบไปด้วยนามขันมันประกอบไปด้วยจิตวิญญาณเอ่อวิญญาณธาตุแต่วิญญาณนขันนั้นเป็นวิญญาณในส่วนเป็นวิญญาณส่วนที่เป็นขันวิญญาณธาตุคือความรู้ดั้งเดิมธาตุดั้งเดิมของรู้คือผู้รู้ที่เป็นธาตุดั้งเดิมที่เรียกว่าวิญญาณธาตุความรู้ทั้งข้าเรียกว่าฐาตเหมือนกันนะ ความรู้วิญญาณธาตุจิตคือผู้รู้ผู้นึก ผ, ผ, ผู้คิดนั่นแหละวิญญาณธาตุก็คื อ, อาภาวะดั้งเดิมของผู้รู้ธาตุแปล ว, ว่ามูลเดิมสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกสเตรวัฏธาตุรูปธรรมก็เป็นมีสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโล ก, รร ก, น, น, ลโลกนามธาตุคือวิญญาณธาตุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกดั้งเดิมประจำอยู่ในโลก เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างทั้งโลกประธรรมทั้งนามธรรมาจึงเป็นสิ่งที่อาศัยมูลเดิมของโลกมาเกิดกรูปธรรมของเราอาศัยดินน้ำลมไฟมาเกิดอันนี้เราเห็นง่ายแต่วิญญาณธาตุนี่ผู้รู้ผู้รู้เอามูลเดิมของโลกมาเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีมูลเดิมของโลกมาเกิดสิ่งนี้จะไม่สูญไปจากโลกแม้จะระ ตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็ไม่สูญไปจากโลก hmm? ไม่สูญไปจากโลก hmm. เพราะฉะนั้นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอารอิยสาวกจึงอยู่รอบข้ามตัวเรานี่แหละไม่ไปไหนเราล ะ, ละลึกนึกน้อมถึงพุทธทังธรรมังสังฆั ง, งสระนังกจามิแล้วก็ตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติฐฐรรมปฏิบัติตทำ <c oughs> ทำเริ่มรู้ทำเริ่มเห็นรำเริ่มเข้าใจทำก็เริ่ม ร, ม ร, มรู้เริ่มรู้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้า พระพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่เราเข้าไปถึงเราต้องการความสงบเราภาวนาจนจิตได้รับความสงบก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าสงบละเอียดลึกเข้าไปเกิดปัญญาเกิดภูมิปัญญาถอดถอนความวมึนมั่นถือมันอุปาทานขั้นไหนขั้นหนึ่งได้ก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโอภาวะดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์สลัดตันหาวิชาปาทานออกแล้วเนี่ยภูมิจิตของพระองค์มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ เราทำให้ภูมิจิตของเราได้รับมีรสมีชาติเหมือนอย่างพระจิตที่พระองค์ได้บําเพ็ญผ่านเราก่อนไปแล้วนั้นเราก็เริ่มเข้าถึงเข้าไปเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีภาวะเป็นอย่างนี้พระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์มีภาวะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นงนี้ท่านจึงทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผูนั้นเชื่อว่าเห็นธรรม ถ้าหากไม่เห็นธรรมไปเดินจับชายคาชี h o พระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดไหมปรัชญาละเอียดมากเป็นปรัชญาที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ละเอียดมากนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงความรู้ของคนกับของสัตว์มันพัฒนาไปแตกต่างกัน ความรู้ของสัตว์เขาพัฒนาไปแบบสัตว์เขาไม่มีเจิตจาน o n อะไรที่ชัดเจนจึงเป็นการพัฒนาไปได้น้อยเพราะฉะนั้นได้เสวยชาติพบชาติเป็นสัตว์ก็ถือว่าไปเสวยพบชาติหนึ่งพบชาติหนึ่งกรรมในชาติหนึ่งในชาติหนึ่งที่เขาจะต้องไปเสวยโอกาสที่จะทําให้เขานี่ดีกว่านั้นนี่ยากมากโอกาสที่สัตว์จะสร้างบุญญาบรมีเพิ่มขึ้นในภาวะที่เป็นสัตว์มีน้อยมากมี ก็มีไม่มากเช่อนอย่างเรายกตัวอย่างเช่นอย่างลิงพญาช้างกับพญาลิงเ่ยที่ไปรับใช้พระพุทธเจ้าที่เลไลย์ช้างชื่อเลไลยักษ์กับลิงชื่ออะไรไม่รู้นะที่ไปรับใช้ลิงก็เป็นหัวหน้าโคลงนะลิงก็เป็นหัวหน้าฝูงเป็นจ่าฝูงช้างก็เป็นหัวหน้าโคลงอ่ะ พุทธเจ้าท่านก็เป็นหัวหน้าของพระสงฆ์ปีนั้นพุทธเจ้าท่ทานทรมานพร ะ, ะในเมืองโกสัมพีท่ทานทรมานพระเพะพระทะเลาะกันแล้วท่านไปไปชี้แจงเหตุผลให้ฟังแล้วพระไม่ยอมฟังเพราะว่ามีแต่พระพุทธชนพระธรรมกระถึกกับพระวินัยถรนนี่แหละพระธรรมธรรมกะถึกพระวินัยถรนก็ยึดมั่นในวินยัยอย่างอย่างไม่มีข้ออนุโลมนะพระธรรมกระถึ ก, ก เห็นทะลุบุบรองโอดธรรมะเป็นนี้เป็นนี้ก็เลยถือเคร่งถือหย่อนต่างกันไม่ยอมรับอ่าไม่ยอมรับแรกเริ่มเดิมทีพระธรรมก็ถึกเข้าไปห้องน้ําเข้าไปห้องน้ําก็ไปเหลือน้ําชําระไว้อันนี้เป็นชิคาบทห้ามในห้องน้ํารวมเน่ยห้องน้ํารวมถ้าพิสูจไปใช้แล้วเหลือน้ําไว้ในกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกนี้กระบอกไว้ไม่ชัดนะจะเป็นกระบอก บั่งฐานสำหรับจาระก้นหรือจะเป็นขันหรือจะเป็นอะไรก็บอกว่ายังไม่ชัดเหลือน้ํำไว้น้ําไว้ในภาชนะอ่าอันนี้มีพระพุทธบัญญัติ พ, พุทธเจ้าททร ง, งประบัติทุกกฎทีน่นี้พระธรรมก็ถึกเข้าไปแล้วไปเหลือน้ําเอาไว้ในห้องน้ําพอพระธรรมก็ถึกออกมาพระวินัยถอนเข้าไปหัวหน้าวิ น, ยนัยถอนเนยหัวหน้าวินัยถอนคือผู้หนึ่งทรงทำทรง ทรงธรรมอีกผู้หนึ่งทรงวินัยทรงวินัยเขาต้องละเอียดรอเกี่ยวกับเรื่องวินัยทรงธรรมเขาก็ละเอียดรอเกี่ยวกับเรื่องธรรมบางอย่างเขาก็สามารถอนุโลมได้เพราะเรื่องธรรมธรรมมันเป็นบัญญัติโดยธรรมชาติวินัยเป็นบัญญัติโดยพระพุทธบัญญัติเป็นอาาเขตที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเอาไว้แต่ธรรมะก็คืออานาจักรของธรรมไม่มีใครบัญญัติไว้เป็นแต่เพียงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความแคบกว้างของธรรมะนั้นๆพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าไปรู้เข้าไปเห็น อพอพระธรรมกระถึกออกมาพระวินัยถรก็เข้าไปเข้าไปห้องน้ําก็ไปเหลือน้ําเห็นน้ําในบ้างฐานหลไปไปเห็นน้ําในห้องน้ําอ่าก็เลยเอ๊ะพระธรรมกรถึกนี่ไม่รู้วินัยไม่รู้สิครับบทข้อนี้หรือ ย, ยังไงทําไมเหลือน้ําเอาไว้ทีนี้พระพระวินัยถรออกมาแล้วไปถามพระธรรมก็ถึกว่าท่านเหลือน้ําเอาไว้หรือครับผมเหลือน้ําเอาไวา้ท่านไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติปรับอบัติททุกกฎหรือ ไม่รู้ครับอยอมรับคือยอมรับอยู่เออถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแน่เนี่ยพระวินัยทรบอกว่าเออถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านรู้หมายความว่าท่านฝืนต้องอับัติทีนี้หลังจากนั้นแล้วยังไม่ยุยยติพระธรรมกถึกก็มีบริษัทบริวารพระวินัยทรก็มีบริษัทบริวาร พระวินัยทรบอกพระธรรมก็ถืออย่างนั้นแล้วแทนที่จะยุติอยู่แค่นั้นไม่ยุติเออถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแทนที่จะยุติอยู่แค่นั้นไม่ยุติกลับไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าโอ้พระธรรมกถาถึกไม่รู้วินัยไม่รู้วินัยนะไปเหลือน้าไว้ในบั้งเหลือน้ําไว้ในห้องน้ำเนี่แทนที่จะยุดหยุดก็ไม่หยุดไปต่อเรื่องอเออถ้าท่านไม่รู้แล้วไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรคือไม่ต้องอําบัตนะแค่คำว่าธรรม พระวินัยทอนเขาก็วินิจฉัยออกมาแล้วว่าอย่างนี้ว่าเออถ้าท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ปากยังไม่หยุดไปเห็นลูกศิษย์ก็อยากอยากพูดให้ลูกศิษย์ฟังอัเนี้ยลูกศิษย์ฟังฟังคนหนึ่งสองคนสามคนไปก็ทั้งทั้งวัดอัเนี้ยทีนี้ในวัดนั้นมันมีนมลูกศิษย์พระทํากระถึกด้วยพระทํากรถึกเขาก็มีลูกศิษย์ของเขาพระวินัยทอนก็มีลูกศิษย์เป็นบริษัทบ ร, ริวารของเขาพูดว่าเอออาจารย์ของท่านเนี่ยไม่รู้วิ น, ยนัยแน่เริ่มเลยได้ที่ให้ลูกศิษย์ ลูกศิษย์กับลูกศิษย์อาจารย์ของท่านอะไม่รู้วินัยพอพูดไปพูดมาก็ดังดังหมดทั้งวัดพระธรรมก็ถือก็มาคิดขึ้นเอ๊ะพระวินัยทอนไหนบอกแล้วว่าไม่ไม่ต้องอบดับในเมื่อเราไม่รู้ว่าบับอ่าเวลาล่วงไปแล้วทําไมว่ายังต้องอบดับทําไมต้องมาพูดอะไรมากมาอีกเป็นเหีห้ยได้ลูกศิษย์ลูกหาต้องมามาพูดมาพูดปรับปรากันอะไรอะไรเนี่ยเลยทะเลาะกันแตกแยกกันเนี่ย แต่แยกกันเลยทะเลาะกันแนหะแต่แยกกันต่างจะเอาชนะกันเลยตอนนี้นี่แรกเรื่องเรื่องทีมาจากพระวินายทอนแท้เนี่ยพระธรรมก็ถึงตัวท่านไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปแล้วอพระวินายทอนก็บอกเออถ้าท่านไม่รู้ไม่เป็นไรสีขาบทไม่ปรับเพราะว่าท่านไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ท่านฝืนอท่านต้องอาบัติอทีนี้ยังไม่ยุติอยู่แค่นั้นอะ่ะอึบอิบอุบอิบอุบอิบมีนากันอยู่นั่นแหละรู้ที่เจ้าเห็นว่า เอวัดไอระคังโคจิตารามเนี่ยมันจะแตกแล้วทั้งพระธรรมกถึกทั้งพระวินัยทอนเพราะไม่ลงรอยกันสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ทำบวชสุดร่วมกันนะเดี๋ยวจะไม่ทำบวชสุดร่วมกันนะพระองค์ก็เลยไปห้ามไปห้ามภิกษุทั้งหลายจะเป็นยังไงเป็นงั้ น, ป น, นไปดูในบทที่พระองค์สรงห้ามทรงพูดยกตัวอย่างมากมายเยอะยะอยู่ในนั้นนะทรงพูดทรงทรง ในที่สุดพระธรรมกะถึกกับพี่นายทนไม่ยอมฟังแม้ว่อไม่ยอมฟังอขอให้พระองค์อยู่เป็นพระสุขเถิดข้าพระองค์จะ <c oughs> จะชำระกันจะชาระกันเองนี่จะชำระกันเอ ง, จจเองซึ่ ง, ซ, งซึ่งมันใกล้ใกล้เวลาจะเข้าพรรษาแล้วนะกล่าวว่าพระองค์จะกล่าวว่าจะจชำรษาที่นั่นพอดีเห็นไปห้ามปราบพระทั้งสององค์นี้ไม่ฟังครพระองค์ก็เลยเบื่อก็เลยเบื่อพระสงฆ์ก็เลยปีนั้นบอกพระอา น, นุ์ว่าไม่ต้องตามเราไป เลยเข้าไปจํำภาษาในปา่ามีช้างมาอุปถัมภ์ธรรมถะมีลิงมาอุปธรรมถะช้างก็เบื่อเป็นหัวหน้าโขลงเบื่อหมู่เบื่อพวกลิงก็เบื่อหัวหน้าฝูงเบื่อหมู่เบื่อพวกรุติเจ้าก็เบื่อหมู่เบื่อพว ก, พวกแล้วก็แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอาศัยพวกอาศัยลิงกับช้างเป็นผู้อุปธรรมถากอ่าลิงเขาก็ไปหาผึ่งมาอ่าไปหาน้ําผึ่งมา ไ, ไ, ป ไ, ปไปหาพึ่งมาไปไปป้อยหักมาทั้งทั้งรวงเพิ่งเลยแหละเอามาแล้วมาถวายพระองค์ร ง, ร, งรงผงู้ทรงดูทรงทอดพระเนตรเห็นไอตัวอ่อนอ่อนมะันพระ er องค์ยังไม่รับขเขาก็ดูดูเขารู้เขาก็ดึงดึงดึึึงออกเลือแต่ที่เป็นน้ําเป็นอะไรก็ถว า, ายพระพุทธเจ้าหลังจากถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยรับหลังจากรับแล้วก็โอ้ดีอกดีใจมากเลยวิง่งขึ an, ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นลงต้นไม้นะ ดีใจมากพุทธเจ้ารับรับนำพึ่งไปก็ไปคว้าถูกไอ้กิ่งตายอะตกลงมาตายจ่อยด้วยความตายในขณะที่จิตปลื้มปีติยินดีไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์น้าเนี่ยพญาลิงนะไปเกิดเทวดาบนสวรรค์นี่ช้างช้างกรับใช้พพุทธเจ้าหมด กลางคืนก็เป็นเวรเป็นยามเฝ้าอยู่นั่นแหละอาหานุ่นมาหานี่มาถวายพระองค์อันไหนฉันได้พระองค์ก็ฉันพระเจ้าท่านคงลำบากพอสมควรนั่นแหละอคงลำบากพอสมควรเพราะสัตว์เขาก็จะรู้อะไรมากเท่าไหร่ที่จะไปหานุ่นมาหานี่มาแต่พระองค์ก็อยู่ได้ตลอดพรรษาเขาก็ประทับพทธงนะต้มน้าร้อนได้การต้มน้ําร้อนของเขาเนี่เขาก็เอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟ อ่าเสร็จแล้วก็ดึงดึงดึงดึงดงมาใส่ก็เป็นกองฟืนอาไปก่อไวข้ข้างๆใกล้ๆใกล้ๆกับแอ่งเอ่งที่มีน้นํานะแอ่งหินนะแอ่งหินที่ไม่ใหญ่นักอ่าพอพอไฟติดเสร็จแล้วเขาก็ไปหาก้อนหินมามาเผาไฟสองก้อนสามก้อนเงี้ยพอหินรู้สึกว่าร้อนเขาเลยกลิ้งหินลงน้ํากลิ้งหินลงน้ําเขาฉลาดช้ามันทําได้หมดอะเอามือมันจับไม้จับเลยเขี่ยดได้หมด กิ่งหินลงน้ำํำเลยได้น้ารอ้อนนะพุทธเจ้าท่านก็นเห็ น, ท, นท่านก็ดูเสำแล้วพุทธเจ้าท่านก็นส่งส่งน้ํานั้นได้เนี่ยถึงพญาริงกับพญาช้างเนี่ยตลอดพรรษาทีนี้เรามาพูดถึงพระธรรมกุฏิกับวินายทอนเนี่ยชาวบ้านเขารังเกียจว่าพระศาสดาเสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะโปรดพระด้วยโปรดชาวบ้านด้วยแต่ด้วยเหตุที่พระเหล่านี้ไม่ลงรอยกัน ไม่ยอมอารมณ์มานลอยให้แก่กันเนี่ยอ่ก็เลยปรึกษ า, ารือกันแล้วไม่ใส่บาตรโอ้ยพระบินทบาทหาขอบหายฉันกันอดอยากเลยเธอเนี่ยเข็ดเลยเธเนี่ยพอออกกัญสาก็เลยพอออกกัญสาพูทศิษเจ้าท่างก็กลับเชิดตะวันมีพระอานนุ์ไปรับตอนพระอา น, นุ์ไปรับนี่ยโอ้ยกว่าช้างจะให้ไปใกล้ๆเนี่ต้องพุ้ศิเจ้าได้บอกก็คนของเราเองปล่อยเข้ามา คนของเราเองปล่อยเข้ามาช้างดูแลยังขมักขมันอ่ะรูอันตรายนี่นี่คือพญายช้างอ่ะช้างตัวนี้ได้ยินว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระโพธิสัตว์แต่แต่พญาลิงนี่เป็นอะไรไม่ทราบเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยหรือเปล่าน ะ, ะเบื้องหลังเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ออกพรรษาก็กลับเชตวันพอกลับเชตวันพิกษุทั้งพระ ทำก็ถทึกกับวินัยถอนก็ร่างกายอดโศมากและเห็นโทษที่ตัวเองไม่ยอมระ ง, งับโทษต่างๆเหล่านั้นก็เลยตกลงกันเองตกลงกันเองว่าเราไปขอขามาโทษต่อพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพวกเราก็ไม่ถือสาเรื่องเราไม่ต้องพูดเรื่องย้อนหลังเพราะฉะนั้นการระ ง, งับครั้งนั้นเป็นการระ ง, งับด้วยตินะวัฏถานะวินัยตินารกาวินัยหมายว่าไม่รื้อฟื้นเรื่องกล่าวขึ้นมาพูดอีก อันนั้นก็ลงไปแล้วอันนั้นก็ล ง, ล ง, ล, งลงไปแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอีกตินนวัตธารกะวิ น, นัยอ่าถ้าจะแปลก็แป ล, แปลว่าเหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าเหมือนกลบไว้ด้วยหญ้าเช่นอย่างเราเอาหญ่าไปกลบอะไรล่ะไปกลบที่หมูที่ม้าที่ที่อะไร ท, ทีที่มันจะพึงทรงกลิ่นอะ่ะถ้าไปเคลียขึ้นมามันทรงกลิน่นมันไม่จบคือไม่ไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดเรื่องเรื่องเก่าเพียงแต่ตกลงกันแล้วก็อา้าว เขาเข้ามาลาโทษกันแล้วก็อยู่ดีด้วยกันต่อไปอครั้งนั้นหลังจากพิสูจน์ต่างเรานั้นทําระงับอธิกรณ์ด้วยตินนวัตธารกะบิณัยแล้วหลังจากนั้นแล้วพิสูจน์ทั้งหลายทั้งปว ก, กเราเห็นโทษของตัวเองแล้วไปตามตามพระพุทธเจ้าไปที่นูน้นที่นี้าบ้านบางคนก็ไปชี้หน้าว่ายอย่างนั้นว่ายอย่างนี้ยุดอย่ามาว่าลูกของเราลูกของเราหลายคนมีโอกาสที่จะผิดกันได้ แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกกันได้ตอนนี้ให้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเห็นไหมเห็นผู้สิทธเจา้าไหมท่านเห็นความสําคัญนะเยตอนนี้ประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เขาเห็นโทษแล้วเขามาเพื่อที่จะขอเข้ามาโทษกันแล้วกันขอเขามาสิทธิ์เจ้าแล้วขอเข้ามาโทษกันแล้วกันแล้วมีชาวบ้านมามาโจษมาฟ้องมาด่ามาอะไรกันแล้วผู้สิทธิเจ้าขนาบชาวบ้านอีกแล้วเท่หร่โยตยต์ น, ยยนี่ลูกของเราลูกของเราลูกของเร า, ลเราหลายคนมันก็ผิดกันได้เหมือนกันก็เหมือนกับลูก ของพวกท่านนั่นแหละผิดกันได้เหมือนกันจากนั้นล้พระพุทธเจ้าก็เลยทําให้ทําอุโบสถสามคัคคีเนื่องจากว่าพิสุทั้งคณะของธรรมกถึกกับคณะของวิวนัยทอนมีความสามัคคีปรองดองกันพระพุทธเจ้าก็เลยให้สวดปฏิโมกข์ไม่ไม่ใช่ว่าจะสวดตรงกับวันพระขับวันอะไรก็ไม่สําคัญเท่านั้นสําคัญว่าเขาพร้อมกันวันไหนให้สวดวันนั้นไม่ใช่อย่างวันพระวันนี้กันนัดกันมา แล้วก็เป็นโอโบโสถสามขีไม่ใช่แต่พวกเราก็อนุโลมใช้อยู่ที่คณะสงฆ์ของเราก็อนุโลมใช้อยู่เช่น อ, อย่างในวันพระในวันสานะท่านทําพาธรรมชมิในวันส า, นะ า, น า, นนาเอ้าอุ โ, อโบโสถนี้ที่วัดนี้อุ โ, อโบโสถหน้ า, นานนที่วัดนั้นอุโบสถหน้านู้นอีกที่วัดนู้นท่านจะมากําหนดเอาไวา้พิสูจน์ในเราแหงนั้นก็นัดกันไปรวมกันไปฟังปฏิโมร่วมกันท่านก็เรียกว่าอุ โ, อโบโสถสามขีเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทำกับพภาสาวกอันนั้นพระสาวกสามคัคคีเพราะว่าเมียที่ก่อนกันไม่เข้ากันหลังจากเข้ากันแล้วพระองค์ก็ให้ทําอุโบสถให้สวดพระปฏิโมกข์ทั้งๆที่ไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันอุโบสถนี่แบบนี้ท่านเรียกว่าอุโบสถสามคัคคีไปดูในวินยัยท่านพูดเอาไว้อยู่ในวินยัยท่านพูดเอาไว้อันนี้ถ้าเราจะพูดตามหลักว่า พระธรรมกัตถุเนี่ยท่านไม่เห็นอาบัติการที่เจ้าของต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องอาบัตินี่ภาษาวินัยท่าเรียกว่าไม่เห็นอาบัติภาษาวินัยท่าเรียกว่าไม่เห็นอาบัติแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เรียกว่าไม่ทําคืนอาบัตห1ไม่เห็นอาบัติ2ไม่ทําคืนอาบัตนี่ข้อหนึ่งไม่ไม่เห็นอาบัตก็คือไม่รู้ว่าเจ้าของต้องอาบัตเชีครับบทนี้เหมือนอย่างพระธรรมก็ตึก พอพระวินัยทองก็ถามว่าท่านไม่รู้เลยครับผมไม่รู้ครับเออยังงั้นก็ไม่ไม่เป็นไรท่านไม่ต้องอาบัตเนี่ยหลังจากพูดอย่างนีงไปพูดเสริมมีให้ลูกศิษย์มันแย่กันเนี่ยอพระวินัยทรก็เป็นเหตุทําให้เกิดเรื่องลุกลามเหมือนกันอืไม่เห็นอาบัติเนี่ยไม่เห็นอาบัติคือไม่รู้เจ้าของต้องอาบัติไม่ทําคืนอาบัติหมายความว่ารู้ว่าเจ้าของต้องอาบัติอยู่แต่ไม่แสดงอาบัตอันนี้เขาเรียกว่าไม่ทําคืนอาบัต สองคำนี้นักวินัยทรควรทำความเข้าใจนะถ้าท่านเข้าใจไม่ดีแล้วก็ท่านจะไม่เข้าใจเละสองความหมายนี้ไม่เห็นอาบัตแล้วก็ไม่ทาคืนอาบัตถ้าภิกษุไม่เห็นอาบัตด้วยเห็นอาบั ต, ดดบตแต่ไม่ทาคืนอาบัตด้วยท่านให้สองสวดประกาศอเุเขปณิยกรรมยกออกจากหมู่ได้รายการนะรายแรงนะ สงสวดประกาศเลยพิสูจองค์นี้หัวดื้อไม่ยอมรับสวดประกาศห้ามหมูห้ามสงเข้ไปเกี่ยวข้องห้ามพูดห้ามคุยห้ามกินร่วมห้ามนอนร่วมห้ามอยู่ร่วมห้ามอะไรอะไรร่ ว, รวมมีในในสมัยพุทธการมีท่านเรียกว่าทําอุกเคปนิยกรรมจนกว่าพิสูจนเราจนกว่าพิสูจองค์นั้นจะรู้สึกจะสํานึกตัวเมื่อสํานึกตัวแล้วรู้ยอมแล้วยอมสารภา พ, าพว่าผิดแล้วสํานึกตัวแล้วยอมสารภาพว่าผิด ก็สวดดึงเข้าหาหมู่เหมือนเดิมถอนอุเคปเนิยกรรมให้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำโทษทางพระวิ น, นัยการทำโทษทางพระวิ น, นัยเราพูดถึงเรื่องอะไรฮะลุกลามไปถึงพระทำบุกรถืกกับวินัยถอนฮะเราพูดถึงอะไรใครระลึกได้บ้างบอกมาเรื่องอะไรนะ เ, เรื่องการพัฒนามันสมองของสัตว์โอกาสที่สัตว์มีโอกาสได้ไปทำคุณประโยชน์กับพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นมีมีเป็นจำนวนน้อยโดยเฉพาะเกี่ยวข้งของพระพุทธเจ้าก็เห็นมีแค่นั้นมีลิงกับช้างามีลิงกับช้างแล้วก็มีอีกชาติดอกหนึ่งมีอีกชาติดอกหนึ่งมีตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่งเขาน้มนนนพระปัจเจกพระพุทธไปฉันที่บ้านเป็นประจ พระปเจกนะพระปเจกท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่สามารถจะประกาศเป็นศาสนามีาภาษาวกมากมายได้พระปเจกกับพุทธเขาเป็นพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมโจดจากเกล็ดโดยสิ้นเชิงนี่แหละตระกูลนั้นเขานิมนต์นิมนต์พระปเจกไนะปชันที่บ้านไปจําทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทีนี้เขาก็ฉลาดพาหมาที่แรกก็พาสุนัขไปสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขเป็นสุนัขโทน อเป็นสุนัขโทนเป็นสุนัขโทนในบ้านเนี่ยแหละเป็นสุนัขโทนในบ้านเวลาเขาปนิมนพระเขาก็พาลูกสุนัขตัวนี้เข้าไปด้วยเวลาเดินทางกลับมาลูกสุนัขตัวนี้ก็เดินนําหน้าแล้วก็เห่าหอนไล่อสุรพิษอะไรให้มันออกจากทางเนี่ยเวลาไปเวลากลับเจ้าของก็พาทําอย่างนี้เป็นประจำ น, นักเข้าเจ้าของไม่ไปเกาให้เกาให้สุนัขตัวนี้นะไปนิมนต์เอง สุนัขตัวนี้เขาก็ทําหน้าที่ไปนิมนต์มาแหละเพราะได้เวลาเขาก็ไปนิมนต์การนิมนต์ของเขาคือไปแล้วคาบชายยีบอแล้วก็ดึงมาแล้วดึงมาแล้วอ่านี่พระท่านเห็นท่านเห็นสุนัขไปคับท่านก็รู้แล้วแหละเออนี่มาแล้วเจ้าของไม่ได้มามาแต่สุนัขมาแต่หมาอ่าเขาก็ทําเป็นค า, าบนู้นคาบนี้บางทีท่านก็ทําเป็นเดินผิดทางหลงทางเขาก็ดึงมาเส้นทางที่ถูกนะจากนั้นแล้วเขาก็เห่าหอนไล่มาเรื่อยๆนี่คือสุนัขที่ถูกเจ้าของฝึกได้ เขาก็ได้แค่นั้นแหละหลอดชีพของเขาเนี่ยเขาได้แค่นั้นแหละอ่ทีนี้มีวันหนึ่งพระปฏิเจ้าพุทธะเนี่ยท่านมีเทละจะไปแดนไกลว่ า, า ง, งั้นเถอะก็เลยมาลาโยมอุปถากที่ถวายบิณฑบาต ท, ทุกวันทุกวันเนี่ยมาสนักตัวนีเเเนะ้เขาฟังเขารู้เรื่องนะเขาฟังเขารู้เรื่องเขาเสียใจมากเขาระห้อยนอนอยู่เนี่ยอ่าวันนั้นน่ยพอพระประเจ้าท่านไปเห็นลับ ตาไปนะไม่เห็นนะั่นน่ะโอ้ยตรอมใจตายเลยลูกมาสนะตายแล้วไปเกิดเป็นโคสกะเท พ, พบุตรมีเสียงก้องอยู่บนสวรรค์นี่โคสกะเทพบุตรนี่คืออ น, นิสงส์ที่เขาได้อุปธรรมวถพระปัจเจเกพุทธะโอกาสที่สัตว์จะทำโอกาสที่สัตว์จะได้มีโอกาสได้ทาดําขณะนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทำกรรมเป็นการพัฒนากรรมของตนให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนั้นมีน้อยมีเมื่อไหร่แต่มีน้อย ต า, ตามเรื่องที่เราเล่าให้ฟังนี่แหละนี่เราพูดถึงคนถึงสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าหากเราเป็นมนุษย์แล้วเราไม่พัฒนาให้เป็นไปตามสายใหญ่แห่งความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะตกต่ำไปเป็นสัตว์นี่ต้องระวังมากๆเลยต้องระวังมากๆอกมันตกต่ำไปมากเลยธรรมะที่เราพยุงไว้เพื่อให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็ไม่พ้นศรรี่ห้า ไม่พ้นศีลห้าแล้วก็มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีความกตัญญูมีความก ต, มวมกะตะเวทีมีความรู้ที่สูงที่ต่ำรู้ผิดรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีต่างๆก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักตามกดตามเกณฑ์เหล่านั้นแต่ที่เป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลคือธรรมศีลห้าธรรมห้านี่แหละศีล5้าก็ปาณาปาณาก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใฆ่าสัตว์ นี่นี่คือธรรมะที่ทำให้เกิดมนุษยธรรมทินาไม่ลักทรัพย์กาเมไม่ประพฤติผิดในกามหมุสาไม่พูดเท็จ ส, สุราไม่ดื่มสุรามีไรนี่สินห้าสินห้าทห้านะทห้าประกอบกันเข้ามาปานาไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ มันก็เข้ากันได้กับเมตตานะเมตตาไม่ฆ่าสัตว์นอกจากเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเรายังมีเมตากับสัตว์การมีเมตากับสัตว์ก็คือสองสารมันนั่นแหละเลี้ยงดูมันให้มันเป็นมันอยู่อย่างดีเลี้ยงมันเหมืนอนลูกบางคนเลี้ยงดีกว่าลูกอีกเลี้ยงมนให้เขาได้อยู่ได้กินเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ให้เขาได้ได้รักษา ได้อาษาพยาบาลเพื่อเขาจะได้หายเจ็บหายป่วยเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บการป่วยเหล่านั้นจะหายไปได้ด้วยอานาจของอยาเนี่ยสัตว์ก็เช่นเดียวกันเราก็ดูแลเขาอาศัยความเมตตาจิตดูแลเขาให้เขาหายจากโรคไข้ไข้เจ็บเปียดเบียนความเป็นอยู่ของเขาน้าเอ่ยอาหารเอ่ย ข้าวเอ่ยอะไรต่ออะไรเอยที่เราจะให้เขาอยู่เขากินแล้วก็ให้ด้วยเมตตาสงสารนี่มนุษยธรรมจิตใจของมันต้องอ่อนน้อมไปในแง่ของความเมตตากรุณาก็อยู่ในนั้นแหละอืมุติตาก็อยู่ในนั้นแหละโอเบขาก็อยู่ในนั้นแหละอบางการบางคราวเราบอกมันไม่ได้เราสอนมันไม่ได้ดอกอะไรมันไม่ได้ดอกก็วางเฉยซะอา้าวก็รู้ว่ามันเป็นสุ น, นัขเป็นหมาจะสอนให้มันดีดไปถึงไหนแล้วก็วางเฉย มีกรุณาเออมันดีเนาะสุนักตัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้เออพอ ย, ยินดีกับที่มันดิบมันดีขึ้นนี่เรายกตัวอย่างแค่สุนักบางทีก็เป็นช้างเป็นมา้าเป็นสัตว์ที่ดีๆใหญ่ๆจากนั้นเน่ยที่เขาฝึกเพื่อใช้สอยอะไรเนี่ยนี่ก็ลักษณะเดียวกันนี่สินข้อหนึ่งสินข้อหนึ่งทำข้อหนึ่งอทินนา ไม่ลักทรัพย์ท่านไม่ให้ลักทรัพย์เพราะการลักทรัพย์นี่มันเป็นการทําลายสิทธิ์ของคนอื่นยิ่งสมัยทุกวันนี้เขาเรียกร้กรองหาสิทธิ์มากสิทธิมนุษยชนอ่าสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นธรรมนะแต่ถ้าหากไม่เป็นธรรมมันไปบิดไปเบี้ยวไปอะไรเพื่อเพื่อหาผลหาประโยชน์หาอะไรต่ออะไรนี่มันอาจจะมีดอกเพราะมนุษย์หัวแหลมก็มีบิดเบี้ยวเพื่อเอาคนเอาประโยชน์เอาอะไรต่ออะไร เอายอดเอาเกียรติเอาตำแหน่งเอาความโด่งดังอะไรก็มีนี่เป็นสิทธิของมนุษยชนเรียกร้องเหลือเกินสิทธิสตรีนี่เขาก็เอาแม่บทของสิทธิมนุษยชนนี่แหละไปพูดเรียกร้องหาสิทธิของสตรีอา้าวสิทธิของบุรุษมีแล้วสิทธิของสตรีอา้าวมันจะทํายังไงวะอา้ามจะให้ยังไงจะให้ผู้ชายอุ้มท้องบ้างหรือยังไงวะอ้ ก็วิจารณ์กันบางทีก็คำค้ำดีเหมือนกันอืมผู้ชายทํำยังไงได้ก็จะให้ผู้หญิงทําอย่างงั้นได้เหมือนกันแต่ภาวะที่เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องเป็นภาวะของพร ะ, อะของผู้ชายไม่ใช่เป็นเป็นภาวะของผู้หญิงผู้ที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิต้องเป็นผู้ชายผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ชายเนี่ย ต้องเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงปรารถนาไปทําไปทําไปทําบารมีถึงนี่ก็ต้องเป็นเพศชายเหมือนอย่างแม่ของพระพุทธเจา้าท่านเทศปโปรดเป็นพระโสดาบันแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็ไปเป็นเพศชายเปลี่ยนจากเพศหญิงกับเป็นเพศชายเรื่องเพศก็คือรูปเรื่องเพศก็เพศก็คือรูปแต่จิตใจนี่เหมือนกัน จิตใจทันควาไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงถ้าเราเอาจิตใจเป็นเกณฑ์นี่ไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงแต่ภาวะของมนุษย์ที่มีการสมมุติกันก็ถือว่าเพศผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแกร่งแข็งแรงเพศเพศเพศผู้หญิงถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเนีเป็นเพศผู้ชายถือว่าเป็นเป็นเพศนำเพศผู้หญิงถือว่าเป็นเพศตามอันนี้อันนี้ถ้าถือตามหลักธรรม ถ้ถือตามหลักทำเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้อผู้ชายนุ่งกางเกงอนุ่งกางเกงสั้นขนาดไหนก็ตามวิ่งเล่นกีฬาสะดวกสบายผู้หญิงก็เอาได้หมดแล้วสิทธิของสตรีอาวมีได้เหมือนกันะอการ <c oughs> ทาสามารถทําได้เหมือนกันหมดอ้าวผู้ชายนุ่งได้ก็ทําได้แต่มันเสียอย่างเดียวอะผู้ชายอุ้มท้องไม่ได้นะต้องผู้หญิงอุ้มท้องเหมือนเดิมนะ แล้วจะให้เป็นยังไงอ่ะใช้เป็นผู้ชายใช้ผู้ชายอุ้มท้องอ่ะเป็นผู้หญิงบ้างเป็นไม่ได้นี่คือธรรมชาติมันสร้างมาอย่อยางนี้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาขัดกันเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมกันเราดูแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดกี่กับกี่กันอนะ่ะเพื่อสร้างบารมีต้องมีผู้หญิงเป็นคู่บารมีต้องมีผู้หญิงเป็นคู่บารมี ภาวะความเป็นอยู่ของสัตว์ต้องมีคู่ต้องมีสัตว์เขาก็มีตัวผู้ตัวเมียเป็นคู่กันมนุษย์ก็ต้องมีสามีมีภรรยามีตบมีผู้ชายมีผู้หญิงเขาจะอยู่ด้วยกันการสร้างบารมีก็ต้องมีคู่บารมีดูที่พระรุ่ยเจ้าคู่บารมีของท่านคือนางพิมพาเกิดตายเกิดตายเกิดตายกี่การเป็นการสร้างบารมีมาด้วยกันนี่แหละคือ สามีก็ช่วยภรรยาภรรยาก็ช่วยเสริมสามีอ่าเขาเรียกว่าคู่บา ร, รมีช่วยเสริมอ่าสมมติภรรยาสมมติสมมติสามีจะขุดจะเจาะจะฟันอ่สามีจะขุดจะเจาะจะฟันเน่ยภรรยาทำไงภรรยาค่อยคอยยื่นคอยยื่นเสียมคอยยื่นจอบ คอยยื่นสิวคอยยื่นค้อนนี่ฮะ้นเรียกว่าคู่บา ร, รมีคู่เสริมสร้างสร้างสร้างประโยชน์ น, นั้นๆให้สําเร็จไปด้วยกันเพื่อประโยชน์นใช้สอยด้วยกันพระพุทธเจา้าท่านสร้างบา ร, รมีเป็นพระพุทธเจ้ากันเช่นเดียวกันแต่ว่าถึงขั้นสละได้สละโลกได้สละเมียได้สละราชสมบัติได้ พระองค์สละดวงตาเนี่ยซึ่งเป็นทานอุปบารมีเนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยมากมายกว่าดวงดาวในท้องฟ้าดวงตาที่ท่านสละให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าพระเสียรที่ปลดับโดยของมีค่าอลังการแล้วเนี่ยที่ท่านสละแล้วเนี่ยเสียรพระเสียรเนี่ยมากกว่าถ้าเอาไปกองกองกันกับใหญ่กว่าเขาซินเนรุราชนี่ดู ดูการอุตสาห์ยพยายามของพระพุทธเจ้าในการสร้างบารมีถึงขนาดนี้แต่ต้องมีคู่บารมีต้องมีผู้หญิงที่เป็นภรรยาช่วยเสริมให้บารมีนั้นดีขึ้นช่วยวิ่งกันช่วยมีปากมีเสียงช่วยวิ่งเต้นช่วยติดต่อช่วยอะไรแต่ไรนี่เป็นอย่างนี้นี่คือผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงเราพูดถึงพระพุทธเจ้า เราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราพูดถึงอะไรอ่ะเราพูดถึงอะไรตอนนี้ใครระลึกได้อีกฮะเราพูดถึงอะไรมาพูดถึงพู้ะพุทธเจ้าคำนางพิมพานี่อ่ะอะ ส, สิ่งข้อที่สองสิลข้อที่สองปาณาทินนาไม่ลักทรัพย์อ่ะไม่ลักทรัพย์ พูดถึงศินข้อสองไม่ลักทรัพย์เพราะว่าเคารพในสิทธิ์ของเขาเคารพในสิทธิ์ของเราอ๋อเราพูดถึงสิทธิ์อ่าก็เลยไปสิทธิ์สิิทธมณุสิชนอ่ะเลยลุกลามไปเลยอ่าเราพูดถึงสิทธิ์ของใครของใครเขาก็มีสิทธิ์เป็นของของเขาไม่ทําลายสิทธิ์ของกันและกันทำท่านเรียกว่าให้เคารพสิทธิ์ให้เคารพสิทธิของเขา ไม่ลักไม่ขโมยไม่หยิบไม่ช่วยเอาของเขาเคารพสิทธิของเขาเคารพสิทธิของเราสินข้อที่สองไม่ฆาไม่ลักทรัพย์นอกจากไม่ลักทรัพย์แล้วยังมีการเคารพสิทธิของเขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของเขาตกอยู่ตรงนี้เก็บได้ก็ไปส่งเขานี่ทินากาเมเคารพสิทธิของการระยการ อ, อีกแหละเออันนั้นผัวท่านอันนี้เมียเราอันนั้นเมียท่านอันนั้นมีผัว ราอันนี้หัวท่านเคารพสิทธิกันเหมือนกันเขาเรียกว่าสัมรวมในกามคําว่าสัมรวมในกามคือระมัดระวังข้อนี้ไม่ให้ล่วงละเมิดนี่เป็นมนุษยธรรมข้อหนึ่ง แ, แล้วก็มุสาวาดพูดเท็จพูดแต่คําสัตว์คําจริงพูดแต่คําสัตว์ความจริงไม่ไม่ทำลายความเชื่อถือไม่ทําลาย ความเชื่อถือไม่ทําให้คนอื่นเสียประโยชน์เนี่ยพู ด, ดคำสัจความจริงถ้าพูดคําบิดคําเบี้ยวไปก็ทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ได้เช่นยังไปบิดพลิวเรื่องนี้ข้อนี้เท่านั้นคำเท่านี้คำเท่านั้นบรรทัดเท่านี้บรรทัดอ่าด้วยรายละอักษรที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นก็เป็นเหตุอะไเขาเสื่อมเสียผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นการทำไปทําลายสิทธิของเขาอ่าพูดเท็จ ไม่พูดเท็จพูดด้วยคำสัตย์คำจริงพูดตรงไปตรงมาพูดด้วยความอ่อนโยนสุรามรไยก็เช่นเดียวกันสํารวมในน้ําเมาคําสํารวมคือระมัดระวัเาวางเห็นโทษของมันนั่นแหละสํารวมในบุตรธิดาสามีภรรยาของท่านของเราไม่ล่วงละเมิดสินคนนี้นี่คือมนุษยธรรมประกอบไปด้วยธรรมห้าสินห้านี่แหละเป็นธรรมะที่ทําให้เร า, าเราได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมืองกันเต็มันไม่ค่อยเต็มที่ถ้าเราถือได้เต็มที่เราก็เกิดเป็นมนุษย์ได้เต็มที่มีคุณสมบัติเป็นมนุษย์เต็มที่เป็นผู้หญิงเต็มที่เป็นผู้ชายเต็มที่ถ้าสองสลึงอยากเป็นทั้งผู้หญิงแต่อยากเป็นทั้งผู้ชายพวกนี้เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดนี่พวกนี้เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างงั้นอยากเป็นผู้ชายก็เป็นอยากเป็นผู้หญิงก็เป็นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือผิดศีลข้อส พวนี้จะกลับเพศผู้ชายกลับเพศเป็นผู้หญิงผู้หญิงตั้งใจปรารถนาดีไม่ล่งละเมิดศีลข้อนี้ตั้งใจปรารถนาเป็นผู้ชายก็สามารถเป็นผู้ชายได้ไม่ผิดศีลข้อนี้แต่ผู้ชายถ้าหากผิดศีลข้อนี้เป็นประจํำเนืองๆมีโอกาสที่จะกลับเพศเป็นผู้หญิงคือเป็นคนมากๆมกันไปอย่างนั้นนี่ทั้งศีลธรรมทางหลักธรรมท่านพูดเอาไว้หลักธรรมท่านพูดเอาไว้ นี่คือศีลห้าคือธรรมหเป็นเหตุให้เรามีมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เต็มที่เป็นมนุษย์มีมนุษ ย, ยธรรมผู้ที่ถือได้ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดก็ทําให้คนนั้นมีศีลสมบูรณ์มีธรรมสมบูรณ์ผู้ที่มีถิน่นศีลสมบูรณ์มีธรรมสมบูรณ์มันมีนิสยัยมีอุปนิสัยอยู่ในใจคนพวกนี้ต้องการศึกษาธรรมต้องการปฏิบททัติธรรมต้องการรู้เห็นสัต จะทเพื่อเกิดสัมมาทิฏฐิรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็มีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจเข้าถึงได้ง่ายเพราะไม่ค่อยฝ่าฝืนศีลห้าธรรมห้าไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีบาปกรรมที่จะมาปิดมาบังมาอะไรท่อไะไรที่ท่านพูดเอาไว้เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องมนุษย์กับไม่ใช่มนุษย์เรื่องการพัฒนาไปได้กับไปไม่ได้ของมนุษย์ของสัตว์ ภพชาติของมนุษย์จึงเป็นภพชาติที่อยู่ในธถ้ำกลางสามารถปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปสวรรค์ปณิพานได้สามารถปฏิบัติให้เลวลงเลวลงเลวลงถึงขั้นอเวจีมหานรกก็ได้ไม่เหมือนสัตว์เขาพัฒนาไม่ขึ้นเป็นควายเป็นวัวเป็นช้างก็แค่นั้นแหละเป็นหมาก็แค่นั้นแหละเป็นสุนัข ก, ก็แค่นั้นแหละพัฒนาไปไม่ถึงไหนเพราะเป็นภพชาติที่เขาต้องไปเสวยกรรมเนื่องจากว่าเขามีกรรมอย่างนั้นเขาต้องไป รับใช้กรรมย่างงั้นมันตกตกไปในชาตินี้เท่านี้เป็นอย่างนี้โอ้พอตกไปแล้วก็ต้องเสวยกรรมจนหมดในชาตินั้นตามอายุไขอายุมากอายุน้อยอายุสัตว์อายุช้างอายุมาอายุวัวอายุควายอายุสุนัขก็เป็นไปตามอายุอายุพวกสัตว์นอกจากนั้นแล้วท่านไม่พูดถึงพวกแมลงพวกมดตัวแดงแมลงตัวน้อยพวกยุงพวกอะไรท่านไม่พูดถึงท่านพูดถึงแต่สัตว์ที่มีกระดูกสัตว์ที่มีกระดูกสัตว์ที่ใหญ่ มากกว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ไม่อุบัติสัตว์สัตวเลื้อยคลานเหล่านั้นท่านอุบัติเฉพาะสัตว์ที่ใหญ่มีกระดูกสันหลั ง, งต้นไปการพัฒนาของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นที่มีความรู้มีความมีความรู้ตัวน้อยลงน้อยลงสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็พัฒนามาจากรูปธรรมกนามธรรมธาตุอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละ มีการพัฒนามาได้ธาตุบางอย่างเขามีการใกล้ชิดกันมีการพัฒนากันแล้วสามารถกลายเป็นสัตว์มีชีวิตขึ้นมาได้ดินดินสักสัตว์ตบางอย่างสักแต่ว่าสักแต่ว่ามีแต่ชีวิตแล้วก็มีสัญชาตญาณมีสัญชาตญาณที่ที่เบาบางที่สุดแทบไม่รู้เรื่องอ่าไม่รู้เป็นไม่รู้ตายและเหมือนมันเม่า ม, มินเข้ากองไฟไม่รู้ดอกไฟมันร้อนจะเป็นจะตายไม่รู้เรื่อง แต่พวกสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาสัหน่อยหนึ่งมันรู้เรื่องอรู้เรื่องนี่คือการพัฒนามาก็พัฒนามาอย่างเงี้ยชีวิตนี่พัฒนามาแบบแบบว่าสังขารกับสังขารประกอบกันชีวิตจึงพัฒนามาได้นักชีวีวิทยาบางคนบางท่านรู้เรื่องว่าวัตถุเหล่านี้ประกอบกับวัตถุเหล่านี้เกี่ยวข้องกันหนักๆเข้ามากๆเข้ากลายเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตห น, หนึ่งเกิดขึ้นมา อย่างนี้คนอชิวะวิทยาในเขารู้จักดีนะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์มีแต่สัญชาตญาณสัตว์มีแต่ชีวิตดิ้นเดาเดาไม่รู้เรื่องอะไรสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมีมากมายมหาศาลมากกว่ามนุษย์มากกว่าสัตว์ใหญ่ๆนี่คือการพัฒนาเราดูไปตรงไหนเห็นมีแต่สัตว์นั่นแหะดูพวกแมลงพวกอะไรเนี่ยมีแต่สัตว์เต็มไปหมดไปดู ไปดไูน้อนน่ะนอนบุ่งเห็นไหมตัวบุ้งที่มันกินใบขี้เหล็กเห็นไหมอยู่ใกล้ๆถังน้ำฝนะบุ่งมันกินมันกินยอดขี้เหล็กเลาะยอดขี้เหล็กมันรัดไม่อ่อนๆนตัวบุ้งมันขึน้นกินเต็มแล้วมันกระตกมาอยู่ยอยเดินไม่เสน้นระวังไปเหยียบมันตายเยอะแยะเวลาล่วงไปไม่ถึงอาทิตย์บุ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นผีเสื้อ เห็นไหมเราเห็นไหมผีเสื้อมันไปเกิดขึ้นมาได้ยังไงเห็นไหมมันคลายไปเป็นผีเสื้อละนะผีเสื้อแลกลับเป็นอะไรอีกใครเคยสังเกตบ้างผีเสื้อกลับเป็นตัวอะไรอีกฮะตัวบุ้งมันกินใบไม้แต่ตัวบุ้งมันกลายเป็นผีเสื้อเดี๋ยวนี้เราเห็นผีเสื้อบินเต็มไปหมด นี่คือการอุบัติเกิดของโคนอบัติเกิดของสัตว์เกิดขึ้นจากสังขารกับสังขารประกอบกันอ่าสังขารกับสังขารประกอบกันการเกิดขึ้นของมนุษย์ก็สังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันการเกิดขึ้นของสัตว์ก็สังขารกับสังขารประกอบกันธาตุสี่กับธาตุสประกอบกันบางทีมีแร่ธาตุธาตุบางอย่างที่เป็นเหตุให้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ได้สามารถขยับเขยื่อนตัวได้ แล้วก็มีสัญชาตญาณ น, น้อยแล้วเกินเ ร, เ, รเราลืมมล้แหละไ อ, ไอพวก ช, ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปะเภทว่าไม่ได้ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนี่ย ม, มีเราพูดถึงความมีโอกาสระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเราพัฒนาไปในเส้นสายของมนุษย์โอกาสที่จะทําให้เราตกต่ำไปเป็นสัตว์นี่เราต้องระวังเราพึงระวังถ้าเราระวังไม่ได้ไปจริงๆ พ ฤ, รร พ, พฤติกรรมของเรามันพาเราไปพฤติกรรมของเรานันพาเราไประหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์เทวดาภูมิชั้นต่างๆระหว่างโลกสัตว์เดรัจฉานระหว่างนุน่นยมโลกเปรตรกอสุรกายเนี่ยับเปลี่ยนกันไปถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาอยู่เนี่ย วิญญาณคือความรู้ก็ถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ดีๆไม่ถึงขั้นตก ร, รกก็ไปเป็นสนเดรชานเดรชานมีหรือไม่มีที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นสเดรชานทําไมท่านจึงเรียกว่าเดรชานเดรชา น, า น, างงนนะเพราะมันไปขวางท่านว่างกันนะเพราะมันไปขวางเดรชานเดรชานเพราะมันไปขวางใช่ไหมหมาไปขวางไหมไปขวาง มันไปตัวมันเป็นงั้นอ่ะแต่มนุษย์ไม่ได้ไปอย่างนั้นนะมนุษย์ไปแบบตรงตรงๆยื่นไปเดินไปเอ้ท่านก็รู้จักบัญญัติกันมันไปขวางอ่าท่านที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานอยู่ร้วมโลกเรามีสัตว์เปรตก็มีสัตว์อสุรกายก็มีสัตว์ที่ไปสวยกรรมในนรกก็มีมันก็ทายเทกันไปจากมนุษย์เรานี่แหละทำบาปหยาบช้าทารุนมากมาย ถึงถึงขั้นตกนรกอเวจีทันทีเลยดูพระเทวทัตแผ่นดินสูบนะ่ะเห็นไหมถือว่าแผ่นดินหนักหนาสาหัสมากไม่สามารถจะแบกคนคนนี้ไว้ได้แผ่นดินก็แยกแยกแยหลุดกึบบๆบึบนะจมลงไปเลยหายลงไปเลยตกไปอเวจีมหานรกนั่นน่ะพอรมานอยู่เป็นกับกับไม่ใช่แค่วันเดียวคืนเดียวก็จบไม่ใช่ นี่คือกรรมของสัตว์จากมนุษย์ไปก็ไปอยู่นู่นอเอาไปจีมหาสุนทรเขาว่าอเอาไปจีมหานรกน่ยแปลว่าไม่ว่างเว้นจากเสียงที่ร้องโอดโอยครวญคร่าอยู่นั่นละโอดโอย อ, อ, อ, อยู่นั่นแหะเป็นโลกที่ไม่เว้นว่างเว้นจากเสียงที่คร่ําครวญของสัตว์ที่ถูกทรมานเนี่ย เมื่ออย่างพระเทว ท, ทัตท่านเล่าให้ฟังว่าพระเทวทัศน์ต้องไปเสวยกรรมในเอเวจีคือลำตัวนี่ลำตัวจะใหญ่มากตัวจะใหญ่ทีนี้อยู่ในที่จํากัดมีมีเหล็กเท่าลําตาเนี่ยแทงทะลุหน้าอกจากผนังข้างนู้นมาผนังข้างนี้แล้วก็ติดตรึงอยู่อย่างนั้นแหละมีเหล็กเท่าลําตาเนี่ยแทงทะลุหน้าอก ข้างหลังนี่กัปลายเหล็กนี่กัมีผนังรับไว้ข้างหน้าก็มีผนังรับไว้แทนตึงอยู่อย่างงั้นแหละเสร็แล้วถูก <c oughs> ถูกเปลวไฟเนี่ย <c oughs> พุ่งมาจากที่ทั้งสี่นะเปลวไฟพุ่งมาหาตัวเทวทัตเนี่ยพุง่งพุ่งมาจากที่ทั้งสี่ร้องโอ้ยคร่าครวญอย่างงั้ น, น, น, นแต่ก็ไม่ตายก็เพราะว่าเสวยกรรมเป็นแต่อํานาจกรรมที่ความหยาบชาธารุณ ข, ของใจ ที่มันสามารถทําอย่างนั้นได้เนี่ยเห็นไหมกรรมกรรมให้ผลไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่กลับกี่ขั้นกว่าจะจบนี่คือกรรมอํานัดกรรมไม่ตายอ่ะไฟพุ่งมาจากสีทิศเนี่ยตัวเนี่ยแดงรง่วเหมือนกับเขาสูบตีเหล็กนั่นแหะเหล็กมันแดงเหมือนกับเหมือนก็หลอมหลอมเหล็กเหมือนกับเผาเหล็กเพื่อพระพุทธเจ้าไปตีทํามีดทําขวา น, น, นแหละ ถึงกระนานก็ตายก็ตามก็ไม่ตายก็เพราะกรรมมันเลี้ยงเอาไว้อันนี้ก็พูดถึงอเวจีเป็นนรกขมที่เลึกที่สุดแล้วก็นานที่สุดอผู้ที่จะตกนรกผู้ที่จะตกนรกอเวจีมหานรกก็คืออเป็นผู้ฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายชีวิตพ่อทําร้ายชีวิตแม่ทําร้ายชีวิตพระอรหันต์ ถึงท่านไม่ตายพระอาหารหันยังไม่ตายแต่ว่าทําโลหิตของท่านให้ห่อเป็นเป็นตุ่มเป็นหนองเป็นอะไรเนี่ยเนีแล้วก็ทําลายสงให้แตกกันค่าบิดาค่ามารดาค่าพระอรหันทาโลหิตรูปุติเจ้าให้ห่อแล้วก็ทําสงให้แตกกันเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ทําลายสงให้แตกกันพระเทวทัตนี่ก็อานันตรียกรรมข้อหนึ่งนะทําลายสงให้แตกกัน นันตรียกรรมข้อที่สองก็คือทำพระโ ล, โลหิตให้ใ ห, ห่อคือเทวะทัตพยายามดักฆ่าพระพุทธเจ้าหลายครั้งเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเองแต่ก็ไม่สําเร็จพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็ห่ว ง, ห, วงห่วงพระพุทธเจ้าบางคนก็ไปเดินยองกลมไปนั่งภาวนาไปอะไรแวดล้อมพระองค์พิสุจ์ทั้งหลายเธอไม่ต้องห่วงเราจะไม่ตายเพราะการกระทําของใครด้วยความพยายามของใคร นี่คือวิสัยของพระศาสดาจะไม่ตายด้วยความพยายามของใครๆพยายามขนาดไหนนิวเคลียร์นิวทรอนก็ไม่สามารถจะทำลายได้พระเทวท่านเน่ยกลิ้งก้อนหินลงก่อนแล้วจ้างนายขมังธนูไปดักฆ่าพุทธเจ้าก่อนแล้วอปล่อยช้างนีรีนาลาคีิงให้ชนพุทธเจ้านี่ยก่อนแล้วอในสุดก็กลิ้งหินลงด้วยตัวของตัวเองก่อแล้ว ตอนหลังมาก็เลยมาแยกสงเนี่ยแยกสงอนันตรียกรรมทั้งหลายข้อนะคำว่าอนันตรียกรรมแปลว่าไม่มีกรรมอื่นมาขั้นตกตนรกถึงอเวจีทันทีหลังจากตายไปแล้วไม่ไม่ใช่ว่าจะไปสวรรค์คอยขั้นก่อนจะไปเสวยกรรมในชั้นนั้นชั้นนั้นขั้นก่อนไม่มีขั้นเรียกว่าอนันตระอนันอนันตรยกรรมอนันตรยอนันตรียกกรรมไม่มีกรรมอื่นมาขั้นระหว่าง ตาแล้วลงปุ๊บทันทีสมัยอย่างสมัยพุท ธ, ทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีคนที่เป็นอินสูบ ก, ก็มีนั่นธมานกเพราะไปทํากรรมไปข่มขืนนางนวนวนาเทรีนี่ก็แผ่นดินสูบพราะรับตานางนวนรนาเทรีก็แผ่นดินก็สูบไปเพรานี้เขาเรียกพวกพวกหนักแผ่นดินนางกินจมานาวิกาเอาไม้มัดเหมือนกับเป็นท้องของพระพุทธเจ้าไปกล่าวตู่อันนี้ก็เป็นพวกฤาษี พวกเรือศรีมันมันมันให้นางนี่มามามาทําลายชื่อเสียงพระพุทธเจ้านั้นทํามาโนบนางกินจามานวิกาพระเจ้าสุภพุทธะพระเจ้าสุภพุทธะนี่ได้ยินก็นว่าเป็นพ่อของนางพิมพานะอ่าถือทิฏฐิมานะอืถือทิฏฐิมานะว่าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นศัตรูกับพระองค์อ่าแล้วก็แต่งงานกับพิมพาแล้วก็ปล่อยพิมพายเป็นไม้ พระเทวทัตไปบวช ด, ด้วยเทวทัตเนี่ยครับเป็นเป็นพี่สาวของพิมพาตามหลักนะันะก็ไปผิดกันเป็นศัตรูกันก็เลยเครียดกับพุทธเจ้ามีวันหนึ่งพุทธเจ้าบินทบาตไปในในลาเวกนั้นเลยชวนคนไปนั่งกินเหล้าขวางทางเลยชวนคนไปนั่งกินเหล้าขวางทางพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาบินทบาทไม่ได้พระองค์ทรงแย้มโออดว่าโอ้พระเจ้าสุภพุทธะเนี่ยจะต้องตกนรก ที่หัวบันไดาภายในเจ็ดวันมีคนไปมีคนไปทูลให้พระเจ้าสุภุทษะคือเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ได้ปกครองหรอกไม่ไม่ได้ปกครองไปดินแต่เป็นเชื้อเป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยเพราะกษัตริย์สมัยนั้นมีมีมีมีมากที่เป็นเชื้อเป็นเชื้อกษัตริย์อ่าก็เลยพยายามพยายามจะทําว่าพยายามจะทำลายวายจาของพระพุทธเจา้าว่าให้ตกไปว่าเป็นวาจาไม่ศักดิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง ไม่เป็นสัตว์จะบ้างไม่อะไรบ้างพยายามจะไม่ลงแผ่นดินภายในเจ็ดวันว่างั้นเถอะเพื่อจะไม่ให้แผ่นดินสุขนู้น ون, ไปขึ้นอยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นนะพระยาสุภพุทธนะน่ยหลังจากลูกน้องไปเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงทายว่าจะตกนรกภายในเจ็วันอาไปจีแผ่นดินสุขภายในเจดวันเนี่ยนู้น ون, มีเสบียงมีอะไรไปขึ้นอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดแล้วก็มีประตูล็อกล็อกล็ล็อกไว้แล้วก็มีคนกำกับด้วยถ้าเราไม่สั่งห้ามเปิด ประตูนี้เราไม่สั่งห้ามเปิดประตูนี้เราไม่สั่งห้ามเปิดประตูนี้เราไม่สั่งห้ามเปิดนะ hmm พอถึงวันที่เจ็ดนะพอถึงวันที่เจ็ดมาตัวที่พระเจ้าสุพุทธะรักที่สุดเนี่ยมันคึกขนองไม่มีใครเอาอยู่แกวแกอยู่นั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนเน่ยคึกขนองอยู่พระเจ้าสุภุทธะโอ้ยมาตัวนี้ถ้าไม่ใช่เราแล้วมันคงไม่อยู่ล่ะมันคึกขนองอยู่อย่างงั้นหล่ะก็เลยนี่ก็เรียกกรรมบรรดากรรมบรรดา ทีนี้เวลาเวลาพราะองค์ลงมาจริงๆนะถึงคราวที่พระองค์ลงมาจริงๆไอ้พวกเฝ้าประตูเน่ยต่างคนต่างผลักลงผลักลงผลักลงประตูเปิดเองผลักลงผลักลงผลักล ง, ลกลงอพอก้าวลงบันไดปับ๊บเหยียบดินปับ๊บธรณีก็สุบแผ่นดินก็สุบตรงนั้นเอง น, นั่นเห็นไหมรู้เรื่องรู้เดชไหมนี่สามเลยนะพระยอดสุภพุท ธ, ธะกินเจมานาวิกานันทมานพแล้วก็นันทายักษ์อีกคนหนึ่งนะ นันทยากเนี่ไปเหาะไปด้วยกันกับเพื่อนยักด้วยกันเหาะผ่านไปแล้วมันเป็นวันมันเป็นวันเพ็ญพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะไอพระพระโมคคัลลานะท่านท่านโกนใหม่ๆศรีรษะของท่านเนี่ยมันไปถูกแสงแสงเดือนเนี่ยมันเรื่อมไอ้นันทยากเนี่ยมันนึกสนุกขึ้นมาเอ้ยปตีหัวพระเล่นก่อนนะวะยาเลยยาเลยเพื่อนกขซา บ, บอก ยาเลายยาเลยท่านนั่งเข้าฌานอยู่พระโมคคัลลนะท่านนั่งเข้าฌานอยู่อยักขี้ซนเนี่ยมือบอนเนี่ยหาเรื่องเนี่ยเห้ยเห็นศรีรษะพระเหลื่อมๆเลยอยากไปตีเล่นก็ลองไปฟ้านัา่นแหละฟาดยังไงท่านจะเป็นโทษอ่จะได้รับโทษเพราะว่าท่านเข้าฌานอยู่อแต่ไปฟ้าดจริงๆแหละแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้รับอันตรายอะไรในที่สุดพอล่วง เลยระยะที่ท่านนั่งไปไม่เนท่าเหลา่าก็ตกมาเป็นดินสูบเนี่ยกี่คนแล้วสี่ห้าคนแล้วสี่ห้าคนเน่ยเออคนที่หกพระเทวทัตเนี่ยนี่พวกนี้พวกหนักแป่นดินสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าท่านมีคุณกับโลกมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีมีโทษกับคนที่ไปทําร้ายพระองค์มากขนาดนั้นคู่ควรกัน คู่ควรกันนี่เราพูดถึงคนคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีธรรมเลยยกตัวอย่างไปการถ่ายเทระหว่างมนุษย์กับสัตว์กับเทวดาเนี่ยถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมาตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่ปริยพารตราบใดที่ยังไ ม, ไม่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงตราบนั้นก็ยังวนเวียนอยู่นั่นแหละแต่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้เป็นพระโสดาบัน ตั้งแต่พระโสดาบันขั้นแรกเป็นต้นไปพวกนี้จะไม่ลงอบายจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นสัตว์เปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์อสุรกายลืมเอาไปชีมหานรกไม่มีโอกาสที่จะตกไปเขาเรียกปิดกั้นประตูอบายทั้ง4อย่างนั้นเรียกว่าอบายอบายอบายเพราะใครตกไปแล้วก็หาความเจริญไม่ได้แต่ถ้ามีมามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพัฒนาเพื่อความเจริญได้เกิดเป็นเทวดาพัฒนาเพื่อความเจริญได้ สมัยพระุทธเจ้าถ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านโปรดเทวดาเทวดาเข้าเข้าถึงสาระคมเป็นกฎโกรธเทวดาได้เป็นพระโสดาบันเป็นกดโกรธไม่มากกว่ามนุษย์อีกนะไปอ่านดูในชาดกท่านพูดเอาไว้เพราะเทวดาติดตามฟังเทศของพุทธเจ้ามากมายมหาศาลแม้แต่บนสลานี่เขาสามารถมาฟังกันได้เป็นกดโกรธพวกเทวดาไม่ใช่จํากัดเหมือน แค่เท่ามนุษย์เหล่าแค่นี้นมาฟังได้เป็นโกดๆเพราะฉะนั้นพะพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าสัตธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ไม่ไม่ไม่ว่าสัตว์แนวบายนะสัตว์แนวบายท่านไม่ว่าเพราะว่าสัตว์แนวบายไปพัฒนาอะไรก็ไม่ได้ดอกเขาไปเสวยกรรมพวกเทวดาชั้นต่างๆก็ไปเสวยกรรมแต่ก็มีโอกาสพัฒนาไปได้ ตราบใดที่ยังมีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เทวดาต่างๆเรานี่ยจะได้รับประโยชน์มากมายมหาศาล เ, เวลาพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วถ้าหากมีพระสาวกอยู่พระสาวกที่ได้ได้คุณธรรมสูงสุดบางองค์บางอางค์เทวดารักคารว บ, บูชากราบไหว้บูชามาฟังธรรมมาอะไ ร, ไรเหมือนอย่างสมัยหลวงปู่มั่นเน่ยเทวดามาฟังธรรมของท่านท่านต้องจับตารางสอนให้ ต้องฉับตารางเพราะนั้นเข้าเวลาเพราะนั้นเข้าเวลาเทวดาชันนั้นเข้าเวลานั้นเทวดาชันนั้นเข้าเวลานะฟังเทศหลวงตาท่านเทศเอาไว้เนี่ย <Yeah. S 1> พอหมดพระพุทธเจ้าไปแล้วคือพระองค์เข้าสู่อนุ ป, ปาทศิสอนุ ป, ปาที่เสสนิพานไปแล้วเนี่ย mm hmm. เหลือภาษาวกเทวดาต่างๆเหล่านั้นก็อาศัยพระษาวกได้ฟังเทศจากพระษาวกบางองค์มีพื้นมีบาทมีฐานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เป็นพระโสดาบันนี้ คุณธรรมก็หมุนไปเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยบางคนเป็นพระสกิทาคาพระอนาคาเนี่ยคุณธรรมเหล่านั้นก็จะหมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็เข้าถึงนิพพานเองพวกนี้เข้าถึงนิพพานเองที่ที่เรียกว่าตกกระแสตกกระแสเรายกตัวอย่างเช่นอย่างอะไรเช่นอย่างน้ําแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพระญาเนี่ยอ้าวน้ําตามสาขาแม่น้ําต่างๆพอมันมาลงแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพยาปั๊บ ไม่น่าจะพยักก็เอ่ยเอ่ยเอ่ยเอ่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยในสุก็ตกทะเลมหาสมุทรนะไม่ไม่ไปไหนละตกทะเลแน่นอนละตกทะเลมหาสมุทรแน่นอนไม่ไปไหนละพูดที่เข้าถึงประโสดาบันแล้วไม่ไปอับายแล้วก็ภูมิจิตภูมิทันของท่านก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าจะมาเกิดในโลกมนุษย์อีกก็ไม่เกินเจดชาติอ่าเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดประโสดาบันสี่สามจำพวก ประเภทเอกพิชีประเภทโกลังโกละประเภทสัตตัคตุประมะมาเกิดอีกอย่างมากหนึ่งชาติเอกพิชีเกิดอย่างมากสองสาชาตินีโกลังโกละอีกประเภทหนึ่งสัตตัคตุประมะมาเกิดอีกอกกยาาก่างชา้าไม่เกินเจดชาติได้มนุษย์เป็นพระอรหันต์นี่สมมติมาเกิดในโลกมนุษย์นะแต่ถ้าไปเกิดบนสวรรค์ น, นี่ ไปเกิดบสวรรค์เช่นยานางวิสาขานางอนาณาถิิณิกเกษตีนางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันอะอนาถิิณิกเกษฐีได้เป็นพระสกิทาคามีไปเกิดบนสวรรค์พวกนี้ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจะพัฒนาไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเรยพัฒนาไปเรื่อยนน่นไปจบที่ไปจบที่สุดสุทาวาด5ชั้นนั่นะ พอไปถึงชั้นสุทาวาทหชั้นแล้วก็บางองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของอายุบางองค์ก็ถึงกึ่งหนึ่งบางองค์ก็บรรลุได้เรื่อยแรงไม่นับกําหนดอายุในสวรรค์ชั้นสุทาวาทในที่สุดก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนพลไม้สุสุกสุกสุกในสุดก็หล่นจากขั้วเองอคณิตพภ์อคณิตทพรมสุทาวาทชั Stan ้อนอคณิทัพอคติทัปเลยว่า ไม่เป็นน้องใครอคาตาิทะอคติทะไม่เป็นน้องใครพอถึงนั้นแล้วก็สักหนั้นก็สุกงอมไปงอมไปหล่นจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์หล่นเองแล้วก็ถึงแก่อนุปาทิเสสนิพานนี่ท่านพูดถึงการจบลงของชีวิตของจิตใจของคนจิตใจของเราของท่านด้วยกันทุกคนเราจะต้องไปจบตรงนั้นจบคำว่ า, าจบในนี้หมายคาว่าเราไม่ต้องไปเป็นเทวดา เป็นอินเป็นพรหมเป็นสัตว์เปรตสัตว์นรกอ ส, สุรกายและไม่ต้องมาเป็นมนุษย์แล้วก็จบลงตรงนั้นไปจบลงที่คุณธรรมต่างๆเหล่านั้นอ๋อเขาพูดสเประเป็นเปตเตะเล็ลให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะก็น่าจะพอสมควรเก็บเวลาอ๋อธรรมส่วนมน